ครับสุดท้ายช่วงท้ายนี้มีท่านใดอยากจะขอบเดยนหัมอาเชิญครับเช่นนะครับสะพู่นะครับสุวันนี้มีหนังสือมาแจกด้วยโยมเจ้าภาพก็มาก็ด้วยเนี่ยโยมชื่ออะไรนะนี่นนะเอกศักด์กับโยมเกวลิวนแล้วก็ลูกลูกถวายหนังสือเมจิกมิ่ง เคยเห็นไหมเมจิกมิงกลว่าจะให้เด็กๆ ก, ก่อนเด็กได้หรือยังได้แล้วได้หรือยังได้แล้วนอกนั้นสำหรับผู้อยากเด็กน้ำมศการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะยันขออนุญาตถามว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยเจ้าค่ะคำว่าเวทนากับ สังขารมันมีความต่างกันอย่างไรเพราะว่าถ้าดูผิวเผินเหมือนจะคล้ายกันเจ้าค่ะอืมเวทนาต่างต่างกันกับสังขาร น, นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> เวทนาหมายถึงสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเป็นความสุขทุกข์ที่ไม่ต้องตรุงแต่งมันเกิดขึ้นเอง <G ül üyor> แต่ถ้าสังขารพอภายเป็นผลหรือว่าเป็นเป็นธรรมชาติเป็นวิบากเป็นวิบาก ตัวเวทนานี่เป็นวิบากแต่ตัวสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสร้างกรรมไม่เหมือนกันนะถ้าแบ่งอย่างนี้แล้วจะทุกเจ้าคะอันไหนเป็นตัวทุวกทุกทั้งหมดเวทนาเป็นทุกไหมเจ้ะทุกทั้งหม ด, หมดขันท่าเป็นทุกทั้งหมดขันท่าที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นทุกทั้งหมดแล้วสังขารอะไรเจ้าคะสังขาร น, <laughs> น, นี่คือความปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง เอาแบ่งแบ่งแบ่งง่ายๆเลยนะสังขารเนี่ยนะแบ่งเป็นบุญกับแบ่งเป็นบาปแบ่งเป็นบุญก็เช่นคุณธรรมต่างๆเช่นฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่เป็นอิทิบาทสีนี่เป็นบุญหรือเมตตาโกโราุณาุมตตาอุเบกขานี่ก็เป็นบุญสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เป็นบุญอย่างเป็นบาปก็คือเป็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูนะ มีความถือตัวถือตนออย่างเงี้ยเป็นอุบาคิเลสอะไรต่างๆเป็นกิเลสต่างๆเป็นบาปเป็นความปรุงแต่งในใจเป็นนามธรรมค่ะมันเป็นเป็นความคิดเป็นเป็นความคิดนั่นแหละเกิดจากจิตใช่ไหมเจ้าค่ะเกิดจากจิตคือถ้าแบ่งถ้าแบ่งใหญ่ๆเป็นกายกับจิตเนี่ยนะมันก็อยู่ในจิตแต่ถ้าแบ่งละเอียด แบ่ละเอียดก็คือเป็นจิตกับเจตสิกเนี่ยนะสังขารอยู่ในเจตสิกงงไหมเคยเคยได้ยินคํานี้ไหมเคยใช่ไหมอาตมาเนี่ยบวชมาราแรกๆนะไม่เคยได้ยินนะเจตสิกพอครูบาอาจารย์พูดถึงเจตสิกอะไรคํานี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยแล้วท่านอธิบายว่าจิตเหมือนราชาเจตสิกเหมือนเออัมมาต่างๆ นึกอะไรก็นึกไม่ออกมันเป็นยังไงไม่เข้าใจจิตกับเจตสิกเนี่ย น, นะถ้าเอาขันห้ามาเทียบจะเข้าใจง่ายขึ้นขันห้ามีอะไรบ้างมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหักรูปออกไปก่อนนะเราจะพูดถึงจิตกับเจตสิกคือเป็นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรม ฝ, ฝ่ายนามธรรมที่เป็นเป็นสอย่างเนี่ยถ้า รวมให้เหลือสองจะเรียกว่าจิตกับเจตสิก ร, รวมสามอันแรกเป็นเจตสิกเหลือวิญญาณเป็นจิตเข้าใจไหมเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารสาอันส่วนวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจที่เป็นผุดขึ้นมา ส่วนอันนี้เรียกว่าเจตสิกทั้งหมดจะเป็นเวทนาหรือสังขารก็เป็นเจตสิกด้วยกันแต่เป็นเจตสิกที่ไม่เหมือนกันแท้ไม่งั้นก็รวมกันแล้วเขาก็แยกกันไม่ได้ใช่ไหมนี่มันแยกกันได้เพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ซึ่งเป็นวิบากซึ่งเป็นวิบากพอมีวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมามันไม่เฉยจิตมันไม่ยอมอยู่เฉยสุขก็จะมีตัวปรุงคือ ติดใจเข้ามาแทรกจึงให้มาพระพุทธเจ้าจึงให้เจริญสติปัฏฐานคำคไหนอธิบายสติปัฏฐานจะมีคำต่อมาอีกนะว mm hmm. ินัยโลเกอภิชาโทมนัสสะนำออกไปจากอภิชาและโทมนัสสองต่างสองข้างภิชาคือความติดใจเพูดง่ายๆความติดใจความติดข้อง โทมานัตคือความขัดเคืองความขัดเคืองใจหลุดออกจากทั้งความติดใจพอใจและความขัดข้องไม่พอใจ2 อ, อย่างสติปัฏฐานไม่แค่เจริญสติเฉยๆนะมันมาถึงขนาดนี้นะถึงว่าไม่พอไม่ไม่หลงติดอยู่ในความพอใจและความไม่พอใจเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหลงติดไปให้รู้ทัน หลงขัดเครืองไปให้รู้ทันแล้วจนกว่าจะหลุดออกจากความพอใจและความไม่พอใจแต่ไม่ใช่บังคับให้เรียนรู้ว่ามันผิดไปโดยทางที่ติดใจบ้างผิดไปในทางที่ไม่พอใจบ้างหลงไปในทางอภิชาบ้างหลงไปทางโทมนัตบ้างเรียนรู้สิ่งผิดแล้วจะไม่ผิดทดลองไปอ๋อเราเผลอไปอีกแล้วเผลอไปทางอภิชาแล้ว เผอไปทางธทรมรดกอีกแล้วไอ้เผอไปทางอภิชาธรมรดเนี่ยอยู่ในสังขารเข้าใจนะ ส, ส่วนตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวเอาของเก่ามานึกว่าไงเป็นครับต้าหลังสักครู่นะครับข อ, อส่งมาด้าหลังนิดดไหมครับ กรับน้มัศการพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามสองข้อนะคะข้อแรกเนี่ยปกติเนี่ยเวลาตัวเองทําบุญเนี่ยก็จะอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ในชาติปัจจุบันพอได้ฟังเทศจากพระอาจารย์เนี่ยถ้าเรา back word กลับไปได้ไหมคะว่าอาจารย์ว่า <c oughs> ว่าบุญที่เราเคยทํามาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ขออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบรุษหรือผู้มีพระคุณทุกภพกทุกชาติเนี่ยจะทันไหมคะมันทําแล้วทําเลย ตตาให้อุทิศใหม่ให้ทําใหม่เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาระลึกไม่ทันให้ทําบุญขึ้นมาใหม่ทําจิตใจให้ผ่องใสมาใหม่การให้มีจิตใจผ่องใสอาจจะกลับไปนึกถึงบุญเก่าก็ได้การนึกถึงบุญเก่าก็กคือจาคานุสติเข้าใจไหมเป็นพอ n ึกถึงบุญเก่าๆแล้วเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่เอาบุญเก่ามาขายใหม่หรือบุญเก่ามาอาทิศใหม่แต่เป็นการทําบุญใหม่ด้วยการระตามระลึกถึงบุญเก่า เ, ออรเรียกว่าจารคานุสติแต่ถ้าใดีก็คืออย่ามวัวแต่นึกแต่บุญเก่าทาบุญใหม่ด้วยเอส่วนข้อสองเนี่ยเ อ, อถ้าสมมุติว่าในวันนี้หรือชั่วโมงนี้เนี่ยเรารู้ตัวว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยนะคะ ห, หากว่าเราต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย เราควรจะเตรียมพร้อมตัวเองกับญาติอย่างไรเพราะว่าปกติก็จะเห็นว่าญาติชอบมายืนร้องไห้ส่งเราอะนะคะแล้วควรจะทำอย่างส่งด้วยน้ําตาใช่ค่ะคือจะทําอย่างไรคะให้ให้ตัวเองเนี่ยได้ไปแบบไม่ต้องเห็นน้ําตาของเขาหรือว่าให้เขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราเราไปนะคะพระอาจารย์ค่ะก็ต้องอธิบายเข้าฟังอธิบายขอ ขอทําความเข้าใจกับเขาว่าไม่ต้องมาเกาะข้างเตียงนะไม่ต้องมาร้ อ, าองไห้ฟูมฟายข้างๆแล้วนะขอเวลาให้ให้อิสระกับเราในการที่จะเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหรือขอให้อิสระกับเราในโอกาสสุดท้ายแห่งความเป็นมนุษย์ของเราตรงนี้ถ้าเขาอยากจะสวดมนต์หรือว่าอยากจะพูดอะไรที่ในเชิงจูงจิตเราในทางที่เราเคยทํากุศลเนี่ยอันนี้จะเหมาะสมไหมคะ เขาจูงเป็นไหมล่ะถ้าจูงไม่เป็นมันก็จูงจูงไปเหมือนกันนะจูงลงต่ำลยไนระุ mm hmm. เพทว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติในแนวเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยได้นะเป็นผู้เสมอกันได้เป็นผู้สูงกว่าในด้านคุณธรรมได้แต่ถ้าเป็นผู้ต่ากว่าแล้วไม่เข้าใจไม่ควร กราบขอบพระคุณค่ะบางทีมาจูงแล้วเราลำคาญมาเงีวๆอยู่ข้างหูเราเกิดโทสะขึ้นมาตายไปตอนนั้นซวยเลยนะบันดาารการนะคะเป็นวิญาณถามมั่งนะคะคือจากที่ได้ฟังนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตา เรื่องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล น, น, นี้หนูก็มาคิดเกี่ยวกับตัวเองอะค่ะว่าบางทีเนี่ยมันสองคำนี้มันต่างกันยังไง ร, ระหว่างอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเวลาเราไปทุกวัดเขาก็จะแบบให้ <often. S 1> พ่อแม่หรืออะไรที่ล่วงรับไปแล้วนะคะกับลักษณะของการแผ่เมตตาเพราะบางทีเนี่ยอย่างหนูไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเวลาแผ่เมตตาหนูอยากให้รู้สึกว่าเป็นลักษณะของแบบ กระแสบุญที่แบบแผ่ออกไปเรื่อยๆอ่ะบางทีก็รู้สึกว่ามันขาวๆฟุงๆแล้วก็คือไม่ได้เจาะจงว่าจะให้ผู้ใดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันถูกไหมหรือว่าหนูควรจะต้องเจาะจงว่าพ่อแม่มารับนะเจ้ากรรมในเวชนะหรืออะไรแบบนี้หนูก็ <c oughs> สงสัยอยู่ว่ะสองคำนี้นะยากให้ออกนะระหว่างอุทิศส่วนกุศลกับแผ่เมตตาไม่เหมือนกันอุทิศส่วนกุศลก็คือต้องมีบุญกุศลและอุทิศให้เช่นเช่นยังไงดี เน ด, ดี๋ยวจะถวายของไท้พระอย่างเงี้ยนะบุญจากการถวายครั้งนี้ขออุทิศให้กับใครอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอุทิศส่วนกุศลส่วนแผ่เมตตาเนี่ยต้องมีเมตตาขึ้นมาในใจก่อนแล้วแผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่เมตตาเนี่ยคล้ายๆส่งยิ้มส่งยิ้มให้ส่วนที่ส่วนกุศลเนี่ยหมายถึงให้ของจะเปรียบเปรียบเทียบ เปรียบเทียบเป็นรูปธรรมนะอุทิศสงสุทรก็คืออย่างเช่นทําบุญด้วยด้วยข้าวด้วยน้ําและอุทิศให้หมู่ญาติเขาก็จะได้มีผิวพรรณผ่องใสหรืออิ่มนหําสําราญนะทําบุญด้วยเสื้อผ้าถวายจีวร อ, อย่างเงี้ยนะอุทิศให้หมู่ญาติหมู่ญาติาก็จะได้มีเสื้อทิพย์ผ้าทิพย์อย่างนี้เป็นต้ น, น, นแต่ถ้าแผ่เมตตาก็คือว่าส่งความปรารถนาดี มีมีความปรารถนาดีอยู่ในใจแล้วส่งความปรารถนาดีไปให้บุคคลทั่วๆไปหรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ไม่เหมือนกันไม่ไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้ใช่ไหมคะไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้เป็นอันปปมัญญาก็ได้มีมีศั์เฉพาะเลยว่าอัปปอัปปมัญญาเมตตาแต่ถ้าเมตตาแบบเฉพาะเจาะจงเขาเรียกพรหมวิหารอยากพ่อ เมตาตารกเนี่ยพ่อเป็นพรหมของลูกงั้นถ้าลักษณะสมมุติว่าเราไปตักบาตรนะคะตักบาตรแค่รูปเดียวเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเรียกคนมาเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เยอะๆใช่ไหมคะบุญไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณยิ่งให้ยิ่งมีไม่ใช่ว่ามือเดียวแล้วจะน้อยนะดูอย่างทุกตะที่เราเห็นไหม <laughs> มือเดียวแท้ๆเลยเนาะโอ้โหทั้งมนุษย์และเทวดานี่มาร่วมกันเยอะแยะหมดเลยกลับขอบพระคุณค่ะขอให้ของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจยิ่งผู้รับบริสุทธิ์ยิ่งดีใหญ่เลย